ท่านวยโยคาวัยจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้พูดถึงนรกที่เรียกว่าเวจีมหานรกพูดมาพูดไปพูดมากเกินไปเลยทิ้งเรื่องสำคัญแคยเรื่องหนึ่งคือลักษณะที่อาการที่ตายไปตกนรกท่านบอกว่าทําบาปท่าไหน ต้องไปเสวยผลในบาปท่านั้นวันนี้ขอย้ำสักนิดหนึ่งนั่นก็คือว่ายางปฏิวัติทาบาปในท่ายืนโดยท่าเดินด้วยถ้าก็เลยทางแข้งต่างขาทางแขนมันก็ท่ายืนมันก็ท่าชี้บาอํานาจสําหรับพรโกการิกะนั่งอยู่ในท่าที่เราเหยียดขาไปนิดหน่อยแล้วก็ตั้งเข่านิดหนึ่งเอามือรัดเขา่า ถูหอกตรึงอยู่ในลักษณะท่านั้นเพราะว่าพระโกการิกะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นลูกน้องของพระเทวทัตไม่ใช่เป็นผู้สแสดงอำนาจด้วยตนเองเป็นเพียงวรรับบัญชาจากพระเทวทัตก็เลยอยู่ในลักษณะที่ท่านนั่งไม่ค่อยเรียบร้อย <c oughs> นี่สำหรับท่าของบุคคลทั่วข้าสัตว์ คือทุกหัวปลาบางสัตว์เล็กบงางทำกินเป็นอาหารก็ไปนอนถูกอาการตรึงอยู่หมดขยับเขยืนไม่ได้มีสภาพเหมือนกันถูกไฟเผาทั้งหกทิศพอตรึงหมดแต่ว่ามีคอนไอ้เยาวคอนนี่มันตีอัตโนมัติตีหัวให้แตกเปรอะลงมาก็หัวแตกเลยกระจายหัวเกิดขึ้นมาใหม่มันก็ตีใหม่ พอเดียวเดียวหัวกเกิดขึ้นมาใหม่มันก็ตีใหม่ตีที่ไรหัวกระจายทุกทีอาการอย่างนี้ก่อนที่เขาจะตีสัตว์เขาจับสัตว์ให้นอนซสีย ก, ก่อนแล้วอีกลักษณะหนึ่งก็คือคนฆ่าหมูก่อนจะฆ่าเขาจับหมูนอนลงก่อนเขาก็ต้องนอนเหมือนกันแล้วก็ถูกขอกึงทั้งหมดแล้วก็มีมีดรกมุกมีดใหญ่ เฉือนคอลึกลงไปประมาณครึ่งเล่มเฉือนอยู่อย่างนั้นแบบก็ลงเลื่อยเลื่ยไม่มีธรรมการอยู่อย่างนั้นยิ่งกว่าจะสิ้นกฎของกรรมนีม่ลักษณะาการอย่างนี้ตามพระบาลีได้กล่าวว่าคนทําบาปในท่าไหนต้องไปสวยทุกเวทนาในท่านั้นแต่ความจรงิงไม่ใช่ท่าดีทําไม่ใช่ท่าที่กําลังจะทําเป็นท่าที่จับเขาเป็นผู้ถูกกระทํา ในการแปลพระบาลีในด้านพระปริยัติท่านยังบอกว่าการปริยัติจะปฏิบัติไม่ยากขัดกันเราปริยัติดูหนังสือไม่เข้าใจสำหรับฝ่ายนักปฏิบัติเขาเห็นมาเองเขาเข้าใจแต่ว่านักปฏิบัตินี้เ็ต้องเลือกเหมือนกันเลือกได้เฉพาะพวกที่ได้ทิพย์กุญญาบ้าง่เฉพาะที่ได้ปัญญาสมาบัติบ้าง หรือว่าได้ปัญญาเล็กที่เราเรียกว่ามโนมยิธิบางยังสามารถติดตามคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระพู้มีพระภาเจ้าได้ในย้ำพระอเวจีมหาน ร, รกนิดต่อยเพราะว่าพูดทางไว้ต่อไปก็จะพูดถึงนรกบริวารของนรกขุมใหญ่นรกหนึ่งขุมนรกใหญ่หนึ่งขุมมีบริวาร16ดหกขุม เธอทิศลสี่ขุมออกจากนารกขุมใหญ่แล้วต้องผ่านจะไปด้านไหนก็ตามต้องผ่านนารกปฏิวานสี่ขุมเหมือนกันหมดแต่อย่าลืมว่านารกทั้งสิบหกขุมทั้นสีทิศนี้มีลักษณะการลงโทษเหมือนกันเป็นการให้สัตว์ทั้งหลายจะออกจากนารกขุมใหญ่ผ่านสี่ขุมแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเลี้ยวมาตกทั้งสิบหกขุม แรื่ความจริงแค่สี่ขุมก็อาการหนักอยู่แล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงตัดไว้อย่างนี้นี่ก็อย่าขอพูดยาะๆยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านทั้งหลายเวลาไปดูนรกจะได้รู้จักว่านรกนั้นมีอะไรอยู่บ้างไม่ใช่เดาสทรงเดชองค์สมเด็จพระบร ม, มโลกรเชษทรงตัดว่านรกทั้ง สิบหกขมนั้นมีชื่ออย่างนี้คือไม่ชื่อเหมือนกันบอกชื่อสี่ขมอุสุตรนรกท่านรวมเรียกว่าอุสุธรนรกหรือว่ารวมเรียกอุ่าอุสุธรนรกก็ว่านรกทั้งสี่ขมสิบหกขมเรียกชื่อเหมือนกันหมดเป็นชื่อ ข, ข้าสนักงานใหญ่แต่กล่าวว่าอุสุตรนรกนี้ล้อมรอบเป็นบริวารของนรกขมใหญ่แปดขุมขุมแล้วสิบกขม เพราะฉะนั้นอุสุธนรกนี้จึงมีรวมกันอยู่หมดทั้งหมดทั้งสิ้นหนึ่งรอยยี่สิบปดขุมคือหนึ่งล้อมรอบฉันสันชีพระนรกสิบหกขุมสองล้อมรอบกาลสุตตนรกสิบหกขุมสามล้อมรอบสังคาตะนรกสิบหกขุมสี่ล้อมรอบโลรุวะมหานรกสิบหกขุมห้าล้อมรอบมหาโลรุวะมหานรกสิบหกขุม หกรอมรอบตาปะมหานรกสิบหกขุมเจ็ดรอมรอบมหาตาปะมหานรกสิบหกขุมแปดรอมรอบเอเวจีมหานรกสิบหกขุมรวมเป็นอุสุตมานรกหนึ่งรอยี่สิบแปดขุมที่กล่าวต่อไปเพราะเท่นั้นจะ ก, กล่าวถึงอุศุตมนรกเพียงแค่สี่ขุมซึ่งล้อมรอบเป็นบริวารในทิศบรุรภาของมหานรก คุมที่หนึ่งคือสันชีพนรกเท่านั้นเพราะว่าอุสุตพนรกในทิศอื่นๆก็ดีและในที่ล้อมรอบเป็นบริวารก็ดีในมหา ร, รกอื่นๆก็ดีมีเช่นมีชื่อเหมือนเหมือนกัน <c oughs> ต่างกันได้เพียงว่าจะมีโทษหนักเบาวกว่ากันเท่านั้นหมายถึงว่าสาหรับนรกที่ล้อมรอบสันชีพนรกก็มีโทษเบารงโทษเบาไปนิดหนึ่ง นาขุมที่สองที่สามที่สี่ก็ทวีคูณไปแต่การลงโทษคลายเ่งกันถ้าเหมือนกันแต่หนักเบากว่ากัน <c oughs> เดี๋ยวนี้สำหรับนรกขุมที่หนึ่งเรียกว่าคูฐานรกนี่นั้งขออภัยกำลังเป็นวัดค <c oughs> ันพ้นท่านบอกว่าคันพ้นโทษจากนรกขุมใหญ่แล้วห้าเซกกรรม ยังไม่สิน้นสัตวน์นรกทั้งหลายก็ต้องเคลื่อนออกจาก น, นรกคุ้มใหญ่ไปรับทุกข์กระโทษอยู่ใน น, นรกบริวารที่ใกล้ชิดมหานรกเป็นอันดับที่หนึ่งต่อไป <c oughs> น, นรกบริวารที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดกับมหานรกเป็นอันดับที่หนึ่งมีชื่อว่า uh ครูธานรกก็ครูธานรกนี้มีเต็มไปด้วยหมนนอนไปไมากซึ่งแต่ละตัว ก็มีปากแหลมคมเหมือนเข็มทั้งตัวก็อ้วนพีใหญ่โตเท่าช่างสารและดูน่าเกลียดน่ากลัวมากไม่เห็นสัตว์นรกตกลมาทั้งคููฐานนรกนี้เจ้าหนอนนรกตานั้นก็แสดงความอาการยินดีมีความหิวขึ้นมาทันที <c oughs> ดีใจมากเข้ามาได้กันล้อมกันกัดสัตว์นรกนั้นต่างพากันแทกกัดกินเนื้ออย่างอริสอร่อยจนก็ทั้งเหลือแต่กระดูกเมื่อเหลือแต่กระดูกก็พากันกัดกินกระดูกต่อไปให้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสนอนนรกบางตัวที่ตัวยังเล็กพอเข้าไปถึงไกาอันใหญ่ตัวกว่าของสัตว์นรกแล้วก็พากัน ไตเข้าไปในปากไปกัดกินไส้ใหญ่ไส้น้อยตับไตปอดแล้วก็ลอดออกมาทางเบื้องถาวรเบื้องล่างบ้างข้างบนบ้างกัดกินอวัยวะภายในเสร็จแล้วก็ออกมาจากปากแลดูน่าสิสสเอียนบรรดาสัตว์ทั้งหลายนรกทั้งหลายเหล่านั้นต้องสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสจงกว่าจะสิ้นกรรมสิ่งกรรมนี้ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ถ้าม่ไบอก นี่จำไว้กนแล้วกัน <c oughs> สำหรับท่านที่ได้มโนมยิธิจงอย่าลืมจำชื่อให้ดีดูลักษณะให้ดีอย่าลืมว่าตามพระบาลีท่านพูดไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นใ้การที่ถูกกัดถูกกินถูกทึ้งแบบนี้มันจะเจ็บปวดอย่างไหนก็ลองคิดเอายุงกัดเรานิดเดียวเราบอกว่าเจ็บมดกัดนิดเดียวบอกว่าเจ็บนี่แกกินเนื้อเถือเนื้อเถือหนังเถือไส้ตับไตไส้ปอด แล้วก็จงอย่าลืมว่าเหลือแต่กระดูกนั่นแค่ไม่ตายเนื้อหมดไปนอนเลิกแพะเมื่อไรเนื้อเกิดมาใหม่นอนก็แท้ใหม่ต้องรับผลกรรมอย่างนี้ไปจึงกว่าจะสิ้นโทษผมว่าอย่าลงเลยดีกว่ากับนรกสำหรับนรกขุมที่สองชื่อว่ากวกกุกลนรกแต่กล่าวว่าเมื่อพ้นโทษจากคูถานนรกแล้ว อากเศกรรมยังไม่สิน้นจะสิ้นอะไรต้องผ่านนรกนี่แล้วต้องไปยมโลกยันรกออกจากนั้นต้องเป็นเปรตออกจากนั้นต้องไปอสุรกายออกจากนั้นยังเป็นสติเลชนันน้อยนักที่จะตกเฉพาะนรกเพียงเท่านั้นแล้วก็พ้นไปต้องเป็นคนที่คนที่มีกรรมน้อยเบาเขามากถ้าบอกว่าเศกกรรมยังไม่สิ้นไปสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้อง เคลื่อนออกจากไปรับออกไปรับโทษอีกในอุสุทารกอันดับที่สองที่เรียกกันว่ากุกุ ล, ลนรกก็ในกุกุ ล, ลนรกนี้เต็มไปด้วยเท่ารึงไอ้เท่ารึงก็คือเถาวันมันร้อนแดงเป็นเหล็กร้อนฉานเป็นเด็กสำหรับเผาศัตรพนรกทั้งหลายได้รับทุกขเวทนาแข็งกล้าแข็ง สัดในโลกทั้งปวงมาถูกเท่าริงอันร้อนแรงเผาศิสะให้ย่อยยับละเอียดไปเป็นจุนย่อมได้รับทุกข์ทรมานอย่างสาหัสให้เท่าริงนี้ออกออกก็จะพลาดไปเท่าคือฐานไม่ว่าฐานละเอียดมันมีความร้อนแรงจัดตกพุบลงไปมันก็เผาจนไหม้ร้อนจะร้องจะโอดจะโอยไม่มีความสาคัญ เขาทั้งหลายอย่างนั้นเหล่านั้นไม่มีใครเมตตาปราณีเมื่อร่างกายถูกบทขยี้ถูกเผาจนละเอียดแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่ถูกเผาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นโทษนี่กฎขั้งกรรมนิดหนึ่งเราก็ต้องไปตกนรกขุมใหญ่แล้วกลับมาเล่นนรกขุมเล็กอีกเราต้องคิดกันนะต้องคิดกันทระมัดระวังหน่อยสามอาศิปตปตตนรก แต่บอกว่าพอพ้นจากกำแพงแห่งกุกุลนรกแล้วก็มาถึงนรกบริวารแห่งอุสุดนรกอันดับที่สามที่เรียกว่าอาศิปะตะนรกอาศิปะตะนรกนี้มีไม้มะม่วงใหญ่ซึ่งมีใบดกครึมเยอ่หละมากมีมากนะผมจะว่าตามบาลรีภ า, าษาเชจยขัดแล้วตาดัดแปลงนิดหน่อย และดูเัรหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนกัสวนอุทยานมีความสวยสดงดงามน่ารักแล้วก็มีใบขึ้มมีใบหนากว้างใหญ่ไพศาลเป็นเป็นบริเวณกว้างสัตว์ตั้งหลายนรกถลังล่านั้นมีความที่มีกรรมยังไม่สิ้นมาหลุดพ้นจากกุกกลนรกแล้วก็มาถึงอสิปตะนรกและเห็นสวนมีต้นไม้ เรื่องตนไม่เคยเห็นมาในการก่อนท่านก็ดีใจพากันกล่าวว่ากล่าวกันและกันด้วยราสานารกว่าเราทั้งหลายเป็นผู้คนมีบาปเอ๋ยมาเถิดเราพากันไปอาศัยในสวนมะม่วงนั้นเถิดคงจะมีความสกายสุขใจเพราะว่าเราได้รับทุกข์ทรมานมามาก ต่างคนต่างก็ดีใจว่าดังนั้นแล้วเขาก็ชวนกันเพื่อจะไปนั่งไปนอนเล่นใต้ต้นมะม่วงนั้นแต่พอเขาไปยังไม่ทันที่จะได้นั่งเล่นนอนตามที่ตั้งใจต้นมะม่วงก็กลายเป็นต้นมะม่วงนรกแสดงความเป็นมะม่วงนรกให้ปรากฏชัดนั่นก็คือมีลมพัดมาอย่างแรง ใบมะม่วงที่ดกคึมก็กลายเป็นหอกดำบะบังดาบบังหลุดร่วงลงมาถูกร่างกายองสั่ขดขายกระเด็นไปถูตรงไหนขาดตรงนั้ น, น, นเลือดแดงฉานฟังไปแล้วก็หลับตาเึก่อไปด้วยไหวกรรมเนี่ยแม้เราถูน้ำนิดเดียวมันก็แย่แล้ว เจ้าใบมะม่วงมันเป็นดาบคมกริบหอกคมกริบทิ่มแทงไม่เลือกที่ทําให้เป็นแผลเบลอๆทั้งกายก็มีแข้งขาดขาขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ตัวขาดก็มีแล้วว่าไอ้ขาดขาดอย่างนี้จะนึกว่ามันขาดไปเลยมันไม่ขาดขาดแล้วก็ติดๆแก็โดนใหม่โดนใหม่หมแล้วก็ขาดเมื่อบรรดาสัตว์ในรกทั้งหลายเหล่านั้นต่างกันก็เห็นท่าไม่เป็นเรื่องแล้วไอ้ต้นมะม่วงจังไร เราจะสาใส่มีความสุขกลายเป็นหอกเป็นดาบหล่นลงมาทนไม่ไหวคิดว่าจะเป็นลูกมะม่วงจะกินห้าอร่อยเต่มมาเอินเป็นหอกเป็นดาบก็พากันเพนหนีออกจากบริเวณนั้นอยู่ไม่ได้แล้วทั้งกล่าวว่าในขณนะเดียวกันก็เกิดความอศัศจรรย์เพราะปรากฏว่ามีกำแพงเหล็ก มีเปลวไฟลุกโชนพุ่งราดแดงโล่ไฟแสงไฟก็พุ่งกับมหาสัตว์สัตว์นรกและข้างล่างกับไฟข้างล่างพุ่งมาจากพื้นดินโผร ข, ขึ้นมาบางหน้าสัตว์นรกไว้ไฟข้างบนเข้ามามารีกว่ามากันหมดเป็นไฟทั้งหมดอีกครั้งนี้ไม่ใช่ต้นมะม่วงแล้ว ตอนมามู่เป็นหอกเป็นดาบพื้นแผ่นดินมีกําแพงกั้นไฟพุ่งเขึ้นมาไฟข้างล่างพุ่งขึ้นมาไฟข้างบนพุ่งขึนข้นมาแกก็วิ่งอยู่ในบริเวณของไฟก็ลองคิดดูร่างกายเป็นแผลเปื่อยๆมาโดนไฟเผาจะมีสภาพเป็นยังไงเลือด ก, ก็แดงฉานวิ่งวนเวียนไปมาท่าก็กล่าวว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีสุนัขในรกร่างกายใหญ่โตเท่าช้างสัน วิ่งมาขบกันกัดกินเลือกอกินเนื้อสันรกจนเหลือแต่กระดูกนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีแร้งมีกามาจิกกินที่มีปากเป็นเหล็กพายกันมาโฉบเขียวแย่งกันกินจิกกันกินแบบส บ, สบายๆลองหลับตาเนึกสภาพแบบทั้งนึกสภาพของแบบนี้ว่ามันจะมีทุกขเวทนาขนาดไหนบ้างศึกษากันไว้ ไม่ใช่มาเล่าสู่กันฟังที่ท่านหลายคิดว่านรกไม่มีก็ฝึกอภิญญาให้ปรากฏหรือว่าทำรรทิฏฐิขญาณให้ปรากฏธรรมโนวิธีให้ปรากฏหรือว่าพิญญาใหญ่ให้ปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สอบสวนคาสั่งคำสอนคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตว่านรกตามที่กล่าวนี้มันมีจริงไหม การจริงพูดมันนี่ตามพระวาลีท่านหยอดทาดวการจริงๆ จ, จ, จะเสียวสยองนัจะสยองมากตอนนี้ก็ว่ากันไปตามกฎของกรรมอายุเท่าไหร่ท่านไมไ่บอกต่อไปเมื่อกรรมนี้มันพ้นเขตเที่จะต้องตกนรกกลุ่มนี้แล้วก็ต้องไปกลุ่มที่สี่เรียกว่าเวตรณีนรกพอพ้นจากกำแพงอาศิปะตะนรกแล้วหมายว่หมดกรรม หมดหน้าที่ที่ต้องลงโทษจุดนี้ก็เข้าสู่บริเวณอุสุธนรกอันดับที่สีซึ่งมีชื่อว่าเวตรณีนรกก็ในเวตรณีนรกนี้เป็นสถานที่เต็มไปได้วยน้ำเค็มน้ำแสบแล้วก็ตั้งอยู่ทั่วกับมีเครือน้ำเหล็กล้อมมี เ, เ, เครวัน เครือว้ยอไหว้น้ำเครือไหว้นานี่มันก็เป็นเหล็กรอมรอบเป็นขอบขันในท้ำกลางรากฏว่าเป็นดอกปรถุถมก็ดอกบวัวเยอะแยะสวยข้างๆลำบริวานบริเวณบริเวณแม่น้ำก็มีเท้าวันมีต้นไหวกลางกระแสน้ำก็มีดอกบวัวสวยงามน้ำก็ใสสะอาด บรรดาสัตว์นรกทั้งหลายเห็นเข้าก็เข้าใจว่าเป็นแม่น้ำที่มีความเย็นน่าอาบน่ากินต่างก็ปลื้มใจเย็นดีหวังอยากจะเดินดื่มน้ำกินให้สบายมาวิ่งมาโดยเร็วเพราะกายอดอยากเมื่อเ ห, เห็นน้ำก็ดีใจเพราะว่าไม่ได้กินน้ำมานานขั้นพอมาถึงเข้าพอมาถึงก็แล้วก็รีบพากระโจนลงแม่น้ำ เพะไฟมันเผาร้อนเต็มทีนี่เห็นน้าแทนที่จะอยากแต่กินอย่างเดียวก็อยากอาบด้วยพราโดลลงไปไอ้เครือไหวมันที่คมกริบมันเป็นเหล็กเห็นแล้วมันเป็นไหวธรรมาดาก็มีหนาํามันก็ห อ, อ ก, กระดับก็บาดร่างกายทําให้เป็นแผลเวอวะะแล้วก็จมอยู่ในน้ำเค็มลองคิดดู เป็นแผลด้วยถูกน้ำเข็มมันก็แถนเจ็บก็ยังได้ยังไม่พอแถมแสบอีกด้วยเขาต้องหลอ ย, ย่างได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหาัสแล้วก็ทำไ ง, ไงต่อไปอ๋อหลังจากนั้นก็มีเปลวไฟพุ่งขึ้นจากไหวเจ็บด้วยแสบด้วยมีไฟเผาด้วยน่หน้านน้าหน้าสืสอจี๋ยอง และก็ที่อยู่ในแม่น้ํานั่นเองไฟนรกไม่ร่างกายของเขาเขาก็ดําน้ําหนีที่ทาให้ดําแล้วไหมเกรียมเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกไฟเผาด้านตั้งอยู่ในป่าเขาบอกว่าบางคนมีร่างห้อยตรงแต่งตรงแต่งเป็นนะยาคล้ายๆกับเครื่องประดับบนน้ําไวายร้องนิ่งกระบวนกระวายในไม่ช้ากระตกลงไปในดอกบวัว หล่นจากน้ำลงไปในดอกบัวไอ้เจ้าดอกบัวก็เป็นดอกบัวเหล็กมีกรีบเป็นคมกรีบบาทบรรดาสัตว์น้งหลายเหล่านั้นและเจ้าดอกบัวนี้ก็ไม่ได้คมอย่างเดียวนอกจากคมแล้วมันก็ยังแถมมีไฟเสียด้วยเผาร่างกายของเขาไหม้แล้วก็ร่างกายเขาขาดเป็นจุนนี่จุนไปมันก็ดิ้นทรมารย์ ก็โดดจะเหมือนก็เขาท่านบอกว่าเหมือนกับปลาที่ถูกทุบหัวดิ้นไปดินมามันเจ็บก่อเจ็บไฟก็ไม่ไอร้อนก่อนร้อนดิ้นไปดินมาพระตกจากดอกบัวลงไปในน้ําเมื่อถึงนในในจี้ตอนลงในน้ํำนี่เขาก็ดีใจว่าพ้นกรรมทันทีตอนนี้เองท่านบอกว่าน้ํามันก็แสบมันก็เย็นจัดแล้วก็แสบแล้วก็เค็ม เพงกล่าวตามพระเบีบบาลีว่ามากูจะดำลงไปเนในน้า น, นี้เถิดหนีแล้วให้รอยจะพบน้ําเย็นให้สบายใจเมื่อเขาท่านหลายยังพากันลงไปในน้ํามาในคมเมื่อลงน้ําแล้วก็ดำลงไปเพราะจุ่มน้ําก็พบกับคมมีดคมหอกคมดาบในน้ําเขาอีกไอ้น้ําก็เย็นเย็นแล้วก็แสบแสบเพราะถูกคมหอกคมดาบทำแต่ไร เป็นกล่าวว่าได้รับพกยยูก็ตเวนเทเวเวทนาอย่างสาหัสทำให้ร่างกายเบวว่าแว่งหนักเข้าไปอีกเออมันเป็นแผลอยู่แล้วก็โดนหนักเข้ามาอีกต้องร้องสะดุ้งเสียวไหวกลัวด้วยความเจ็บสาหัสเท่านี้ก็ยังไม่พอยังถูกนายนิรยบาลซึ่งมือถือหอกแหลนเหลาเงื้อเงืนอแล้วก็จ้องจ้วงแทงเอาแทางเอา เหมือนกับนมนุษย์ในโลกเราแทงปลาเออโคแทงปลานี่ระวังให้ดีนะแทงปลาที่อยู่ในน้ำได้ฉมกเหมือนกันมาแบบเดียวกันนายนิรียบัยก็เก็บเอาสัตว์ในรกทั้งหลายเหล่านั้นเอาขอเกี่ยวลากขึ้นมาบังคับให้นอนหงายบนแผ่นเหล็กที่เผาจนแดงโชนแล้วก็เหลาเหล็กงัดปากให้อ้าขึ้น เอาก้อนเหล็กที่เผายันแดงโชงนที่กําลังสุกแดงยัดใส่เข้าไปในปากพอถึงปากปากก็ไม่ตกไปถึงคอคอก็อไม่ตกไปถึงท้องท้องก็ไม่เฮ้ยสึก ถ, ถึงไส้ใหญ่ไส้น้อยก็ไม่หมดข้าในก็ไม่ไอสัตว์นรกมันก็ไม่ยอมตายร้องโควนครางอยู่อย่างน่างสงสารต่อจากนั้นนายนี่เรี ย, น, ยบบนีเดบานเห็นสัตว์นรก กินก้อนเหล็กแดงร้อคนควงคลางหนักสวยทุกเวทนาอย่างนั้นคล้ายกับจะมีจิตใจกรุณาจึงร้องถามว่าท่านอยากกินอะไรอยากกินน้ำํำเลยเพราะนั้นก็บอกเข้าไปเจ้าอยากกินน้ําแล้วเกินมันร้อนอยากจะกินน้ําเพราะก้อนเหล็กแดงมันร้อนจัดกินน้ําจะได้เย็นเย็นหายร้อนมัน นายเอ็นนายนิเรียบายนเขจึงพากันเอาน้ําทองแดงที่เคี้ยวเดือดดีแล้วเดือดพร่านมากรอกลงไปในปากของบรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วนั้นเพือยากน้ําแต่พอน้ําถึงปากปากก็พังทํำลายพอถึงคอคอก็พังถึงท้องท้องก็พังทพิน่าศตกก็ถึงลาไส้ลําไส้ใหญ่ไส้น้อยก็าขาดแต่จุยเนี่ยราดไปแต่ไม่ตายเก่งอยู่ยงคงกระพน นี่เป็นอันว่ามาตกนรกขุมใหญ่แล้วก็ต้องผ่านนรกปริวานทั้งสี่ขุมอย่าลืมว่าโทษแต่ละขุมทั้งสี่ขุมโทษแบบนี้นรกลึกลงไปทลายการทุกทรมานมันก็มากไปกว่านี้เป็นอันว่าท่านกล่าวไว้ตอนท้าบาลีเหอลอเวลาทีครึ่งถ้าบอกว่าท่านผู้มีปัญญาท่านหลายอุสุตนรกทั้งสี่นี้ตั้งอยู่เรียงรายเป็นลำดับขึ้นไป ในทิศบรุรพาเบื้องหน้าสันชีพนรกที่ท้านพูดทิศเดียวนะแม้ในอีกสามทิศก็เช่นเดียวกันเป็นอนุว่านรกที่ตกนรกคุ้มใหญ่แล้วก็ต้องออกมาผ่านนรกบริวารสี่คุมถ้ากรรมหนักยังไม่สิ้นไปก็ออกจากคุมที่หนึ่งของนรกคุมใหญ่ผ่านนรกบริวารสี่คุมแล้วก็ไปตกนรกคุมที่สองออกจากนรกคุมที่สองตกบริวาร สีุ่มแล้วก็ไปเข้านรกที่สามว่ากันตามลำดับตามน่ายกดข้องกรรมอรั ด, ดาท่านประโยคาวจรทั้งหลายอย่าลืมว่าที่บาเร บ, บาลีท่านว่าไว้เป็นเพียงตัวอย่างแต่การรับผลกรรมจริงๆถ้าจะดูกันจริงๆแล้วก็ไปให้เห็นด้วยอำนาจมโนยิธิที่เรากําลังฝึกกันแล้วหลายท่านที่กําลังได้อยู่แล้วจะทราบว่า คำสอนพระองค์สมเด็จพระบัณิแก้วที่กล่าวมาไม่มีอะไรผิดและก็ยังน้อยไปกว่าความจริงพขพูดความจริงให้หมดแม่พูดไม่ไหวเพียงแค่นะรกคุ้มเดียวเรานั่งคุยไปจนตายมันยังไม่จบมองดูเวลามันก็หมด็จแล้วในวันนี้ก็ต้องขอลา ก, ก่อนอความสุขสวัสดิที่พัฒนมังคลสมบูรณ์ผลจงมีแดงสาวกองค์สมเด็จพระชิตนแพระทศกัณโดยทั่วถึงการสวัสดี